การปฏิบัติเนี่ยไม่ได้สอนให้รู้แล้วการสอนให้รูกง่ายสอนให้เป็นถ้าสอนให้รูกก็บอกทำใอุปการละมากสองอย่างสติคือความระลึกได้สองปัญญะความรู้ตัวว่าสองรอบสามรอบก็จำได้รู้แล้วไปตอบเขาออกปัญหาทำอะไรที่เป็นอุปการละคุณ